พระธรรมเทศนาแผ่นที่92้าลำดับที่หโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่13เมษายน2559มีชื่อเรื่องว่าสอนลูกสอนหลานสงกรานปี59วันนี้เป็นวันสงกราน วันที่13เมษายนพุทธศักราช2559หลวงพ่อเนี่ยผ่านวันสงกรานมา71ปนะีแล้วลูกหลานนะผ่านมาไม่รู้ว่กี่สงกรานนะวันนี้ก็เป็นวันสงกาปรปรี2559นะเมื่อวานหลวงพ่อฉันจังหันเสร็จก็ไเป ได้ไปตรวจดูสะพานที่หลวงพ่อได้บอกกล่าวศรัทธาญาติโยมพี่น้องลูกหลานสะพานก็เทเสร็จแล้วเมื่อวานวันก่อนจันหน่อยเขาเทกับพวกครูบาคณะศรัทธาญาติโยมพวกในช่างเทเสร็จแล้วยาวพ่อถามพระว่าเมื่อเช้าเนึ่ยาวเท่าไหร่ประมาณ21เมตรแต่วัดในระหว่างนั่นหลวงพ่อวัดดูแบบนั่นอ่ะ 20เม็ดกับ65เซนขั้นคงจะขยับออกไปอีกมาหัวท้ายนะแล้วก็ความกว้างก็ประมาณสัก7เมตรกว่าประมาณ7เมตร50แต่จะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่หลวงพ่อยังไม่ทราบนะยังยังไม่ได้งบออกมาแต่ก็มีเจ้าภาพใหญ่จากขอนแก่นที่เป็นนายช่างมารับเหมาหงพ่อจชื่อไม่ได้ท่านก็มารับมีส่วน ที่จะต้องทำแต่ยังไงทำมันหนักหนาอย่างไร เ, เราก็คงจะดูดูกันอีกรอบหนึ่งทาไมหนักหนาก็เออเอาท่านคงจะรับไปกำแพงไอ้สะพานของเราก็รู้สึกว่าเสร็จแ ล, ล้วคณะสัตยาธาญญาิษฐาต่อนี่ไปก็คงจะได้ใช้แบบเต็มที่คิดว่ารถสิบล้อน้ำหนักก็คงจะผ่านได้ตามตามที่ดูดูนะแต่หลวงพ่อก็ยังไม่ได้ถาม วิศวกรรมวิศวกรรู้ว่าเขาจะรับน้ําหนักได้เพียงมากน้อยแค่ไหนแต่วิศวะกะอย่างหลวงพอ่อหลวงพอ่อโอ้หทำดูแล้วแข็งแรงนะเสร็จแล้วละ่ะแล้วก็หลวงพ่อขอประกาศบอกกล่าวให้กับคณะสัตยาธิโยมลูกหลานทุกคนอีกเหมือนกันวันที่27เมษาเป็นวันเกิดของหลวงพ่อนะทุกปีที่ผ่านมาถ้าหาว่าหลวงพ่อไม่พูดไม่กล่าวะเลยกับเหมือนกับ ปิดเงียบไปเลยถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันสงกรานหลวงพ่อก็ได้ประ ก, กาศให้คณะทธาญาิโยมได้รับรู้รับทราบว่าปีวันเกิดของหลวงพ่อปี59คือปเป็นวันที่27เวษาวันที่26คงจะสวดมนต์เย็นพระสงฆ์คงจะมาทุกอย่างทุกปีที่ผ่านม า, าแล้วกัวันที่27ก็มีการถวายพัทหารพระสงฆ์ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนี่น บ, บอกกล่าวเนี่ยก็ไม่ให้ผู้ใดใครผู้หนึ่งหนักใจถ้าว่าผู้ใดมีเวลาพอที่จะมาร่วมก็ได้ก็มาถ้าไม่มาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะอะไรเพราะหลวงพ่อไม่ได้จัดงานไม่ได้เชิญเชิญไม่ได้มีบัตรเชิญไม่ได้มีบัตรบัตรนิมนต์แต่ผู้ใดอยากจะมาก็มาตามอัธรายาทใส่แต่หลวงพ่อเน้นห น, น, นักว่าผู้ใดมาก็ตามไม่มาก็ตาม ถ้าผู้มาก็เป็นคนดีคิดดีทดําดีพูดดีที่ผู้ไม่มาที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาที่ได้ฟังธรรมเทศนาและได้ฟังแนวความคิดของหลวงพ่ออยู่ห่างไกลขนาดไหนก็ตามแต่เป็นผู้คิดดีทดําดีพูดดีหลวงพ่อก็นับเนื่องว่าเป็นญาติธรรมของหลวงพ่อทุกคนนะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านไม่ต้องหนักใจที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวว่าเอ้ย เราก็รู้แล้วว่าเป็นวันเกิดของหลวงพ่อแต่เราไม่ได้ไปก็ยังไงอยู่ไม่ต้องคิดนะลูกหลานกัศตัฐทาญาติโยมให้ท้าวาว่าผู้ใดก็ตามถ้ า, าว่าเป็นวันเกิดของหลวงพอ่อให้รักษาศีลวันนั้นนะให้รักษาศีลห้าเป็นอย่างน้อยหรือรักษาศีลอุโบสถเป็นอย่างน้อยออหรือว่าข้าพเจ้าเคยกโกรธมากับใครใคแต่วันเกิดของหลวงพ่ออินเนี่ยข้าพเจ้าจะไม่โกรธใครเลยละอดความโกรธ อย่างนี้ก็เป็นผลดีเป็ว่าบูชาพระคุณของหลวงพ่อนะที่ว่าได้ฟังธรรมเทศนาของหลวงพ่อไปแล้วก็เป็นคนดีหลวงพ่อเพียงแค่หลวงพ่อดีใจละดีใจกับคณะศาญาติญาติโยมลูกหลานทุกคนเพราะหลวงพ่อได้พูดได้กล่าวไปทุกปี่ทุกวันก็อยากจะให้ลูกหลานเป็นคนดีคิดดีทดําดีพูดดีมีคุณสมบัติมีจริยธรรมที่ดีนะเมื่อลูกหลานมีจริยธรรมที่ดีแล้ว หลวงพ่อก็เป็นที่พอใจนะอพอใจเพราะนั้นขอให้ลูกหลานทุกคนเนอไม่ต้องหนักใจอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวผูนได้มากก็ไม่เป็นไรถ้าเหลมากก็ได้ไม่มากก็ได้แต่ถึงอย่างไงก็ให้ประกอบคุณงามความดีอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวแล้วก็พร้อมกันวันนนวันที่27เมษาหลวงพ่อก็ยังคิดอยู่ว่าหลวงพ่อจะต้องพยายามรวบรวม จะตุปใจบางส่วนเพื่อเตรียมพร้อมที่จะสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์แต่ประชุมกันแล้วก็เมื่อค่าวที่แล้วก็ยังยังไ ม, ยงไม่ยังไม่เอกฉันนะขณาต ท, ทาญาติโยมลูกหลานาลูกศิษย์ลูกหาของหลวงตาบางกลุ่มแต่ไม่ไม่ใช่กลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อยนะแต่ท่านก็แสดงความคิดเห็นเมื่อมันมีความไม่ไม่ลงไม่ไม่ล ง, ลงตัวก็ต้องชะลอกต้องดูไปก่อน ก็คือปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันซะก่อนแต่คงจะคิดว่าน่าจะได้สร้างนั่นแหละแต่ถึงยังไงหลวงพ่อก็ได้เตรียมเตรียมไว้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าปรับ ป, ปรับมาคนโบราณเขาบอกว่าเขาตะก่ อ, อนไม่มีห้องน้ําห้องส้วมใช่ไหมไม่มีห้องน้ําห้องส้วมคนโบราณเขาไปเที่ยวป่าดงพงไพเเ่เวลาปวดหนักเวลาปวดหนักขึ้นมาจึงวิ่งหาขอนเขานะ อ, าอันนี้ก็เหมือนกันนะั่นแหละ เขาต้องมองมองไปต้องหาขอนขอนไม้ก่อนที่จะขึ้นไปขึ้นไปงอยไปไปนั่งอะ<ม>ารกันเถอะคนโบราณเขาว่าอย่างนั้นนะอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าว่าเราคิดว่าเราจะสร้างเจดีย์อย่างหลวงพ่อได้พูดได้กล่าวว่าห้าสิบล้านบาทหลวงพ่อจะเป็นเจ้าภาพพร้อมพร้อมกับคณะศิษยานุศิษย์คณะศรัทธายาิโจมของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อก็ต้องพยายามเก็บนะั้นศรัทธายาติโจมนะ พยายามเก็บเข้าบัญชีเก็บเท็กเก็บน้อยไปก่อนนี่แหละวันเกิดของหลวงพ่อที่จะถึงเนี้ยแต่วันที่27ที่จะถึงเนี่ยหลวงพ่อก็ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งค่ะหลวงพ่อก็คงจะเก็บเพื่อสร้างพระจดีบูชาพระคุณพระคุณขององค์หลวงตาอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องจตุปัจจัยศรัทธาญาติโยมไม่ต้องห่วงถ้ามันเป็นมาอย่างไงน่ยหลวงพ่อรับตัวนั้นหนักหนาสาหาัสพอสมควร แต่ที่ยังไงก็ตามที่พูดได้ ก, กล่าวได้พูดได้กล่าวทุกครั้งหรือจะพูดต่อไปภายภาคหน้าก็ตามลูกหลานคณะาราชกาญาติโยมไม่ต้องหนักใจไม่ต้องหนักใจกับหลวงพ่อนะหลวงพ่อคิดดีแล้วจึงได้พูดได้กล่าวจึงได้รับภาระจุดนั้นเพราะนั้นข้นาราชกาญาติโยมทําตามกําลังทําตามศรัท ธ, ธาของตนเองเท่า น, นั้นเองทําให้คิดไม่ทำเฉลยหลวงพ่อตำหนิอีกเหมือนกันนะตำหนิพ คณะสถ า, า, าญาติโยมเหมือนกันเอ๊ลูกหลานของเราเนี่ ย, ยทําไมใจดําทําไมใจไม่มีาการกุศลเฉล ย, เยไม่มีการบริจาคหรือเฉล ย, เยทั้งที่เป็นเจดีย์ของปู่ของทวดของเราหลวงพ่อจะตําหนิพวกพวกเราเหมือนกันนะแต่ถ้าว่าพวกเราหนักใจหลวงพ่อก็ตําหนิเอกเหมือนกันไม่น่าจะหนักใจกับเรื่องอการทําบุญทําทานคล้ายๆว่าต้องเสียสละเกิดมาทั้งทีหลวงตาก็บอกแล้วต้องเสียสละ ต้องทําบุญเนอะบุญกุศล น, นี่แหละบุญกุศลที่พวกเราจะต้องทำนี่แหละจะเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนต่อไปในภายภาคหน้าถ้าพวกเราจะมีแล้วก็อยู่กินอยู่กินกินเลี้ยงร่างกายถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะเลี้ยงร่างกายนี่มีแต่วันแก่เท่าชราผลที้สุดก็ถึงตายวันตายเท่าั้นเองถึงจะบํารุงบําเหอขนาดไหนกับบารุงเถอะบำรุงร่างกายมันก็ถึงจุดจบของมัน แต่บุญกุศลของเราเนี่ยบุญกุศลของเราจะติดจิตติดใจจิตติดต ด, ดวงวิญญาณไปสู่ปารโลกภายภาคหน้าเกิดมาพบใดชาติใดภายภาคหน้าบุญกุศลที่พวกเราได้ทําไว้นี่แหละจะเป็นเครื่องเกื้อกูลเกื้อกูลหนุนจะเป็นเพื่อนสอง เ, อเคียงข้างกับดวงใจของเราบุญกุศลจะเป็นเคียงข้างเดินเป็นคู่กันกับพวกเราเราไปเกิดในภพภูมิใด ก็จะมีแต่ความสุขความเจริญด้วยบุญด้วยกุศลเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนเพราะนั้นพวกเราไม่ควรประมาทนะได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธทเจ้าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารยา์พวกเรา ค, ควรจะทําอะไรให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตของพวกเร า, เาแ ต, ต่พวกเราต้องกันกลองไตรตรองด้วยเหตุและผลซะก่อนก่อนที่จะทําลงในจุดนั้น เนี่ยนะวันนี้ก็เป็นวันสงกรานต์ปีพุทธศักราช2559้ก็ขอให้พี่น้องประชาะชาสนศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนเมื่อวานหลวงพ่อก็ได้พูดได้กล่าวว่าผู้สูงอายุผู้เฒ่าผู้แก่ที่เป็นพ่อแม่ปูย่ย่าตายายควรจะ เ, เรียกลูกหลานมาหรือว่าไม่เรียกก็มาก็เถอะถึงจะมาหนังไก่ลูกหลานได้ระวังนะ การไปเที่ยวไปเตรให้ระมัดระวังนะอย่าให้มีปัญหาแนละลูกหลานเอ้อะทางว่าลูกหลานไปขับรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าไปทําอะไรไม่ดีไม่ร้ายกลับมาบ้านเป็นอันตรายประสบอุบัติเหตุขาหักแขนหักหัวน o c k พื้นมันเป็นภาระของใครลูกหลานต้องคิดให้ดีนะมันเป็นภาระของพ่อของแม่นะ เ, เป็นภาระของจาติโกโหติกานะเป็นความทุกข์ใจของ เธอเองนะของเจ้าเองนะพ่อแม่ก็ตายไปแล้วก็อยู่กับพี่น้องพี่น้องก็หนักใจ เ, เจ้าจะอยู่ยังไงเมื่อเจ้าเป็นค น, คนพิการต้องคิดให้ดีนะจะไปสนุกสนานเพียงช่วงผู้ช่วการเท่านั้นเองไม่ได้นะอนาคตของเจ้านะต้องคิดดูไม่มีใครที่จะรักชีวิตของเจ้าหรือการเป็นอยู่ของเจ้าของตัวของเธอเองยิ่งกว่าตัวของเธอเองเอ อันนี้พ่อแม่เป็นหน้าที่พ่อมีพ่อแม่คือหน้าที่ต้องสอนลูกนะถ้าหาว่าไม่บอกไม่กล่าวลูกซะเลยแปลว่าบกพ่องต่อหน้าที่นะโอ้ก็พูกไปกลัวเขาจะเสียใจเสียใจไม่เป็นไรหรอกเสียใจชั่วคราวถ้าหาว่าถ้าเขาประส บ, บอุบัติเหตุแล้วเนะ่เสียใจตลอดไปยาวนานแต่เราสอนที่เขาเสียใจชั่วคราวนะ เขาเสียใจชั่วคราวน้อยนอยนึงไม่เป็นไรแต่ถ้าเขาประสบอุบัติเหตุแหลนะเสียไปเสียใจตลอดชีวิตทนี่อันนั้นเราเสียใจชั่วคราวจะไม่ดีกว่าเหรอเพราะนั้นขอให้พวกลูกหลนานก็ะ่าัทธาญาตโจมนะหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังกลก่อนหน้านี้นะนางวิสาขามหาอุบาสิกาอายุทันขึ้น 15-16 ปีสมัยนะั้นประเทศอินเดียเขาอายุ16ปีเขาให้แต่งงานนะเขา ถ้าแต่งงานแต่นางวิสาขานี่อายุ16ปีท่านเป็นคนมีปัญญาเป็นคนมีสติปัญญาตามที่จริงสมัยนั้นเขาไม่มีเขาไม่มีระบบน้ำปะปลาใช่ไหมระบบน้าปะปลาเขาไปอาบน้ำในหน่านน้ำอย่างแม่น้ำเจ้าพยา ย, ยางนี้เขาก็เดินเป็นเป็นพวนไปไปอาบน้ำแต่นี่เศรษฐีเนี่ยเขาก็มี ลูกน้องบริวารทั้งห้า้อยเทางเป็นผู้หญิงที่เป็นเศรษฐีเนี่ยกบมีบริวารเพื่อนๆกันรุ่นเดียวกันห้าร้อเป็นบริวารแต่เป็นชายกับบริวารห้าร้อยคนยุคสมัยนั้นแต่นางวิสาขาเนี่ยกเป็นลูกเศรษฐีท่านก็ในเวลาเนี่ยกเป็นอย่างวันสงกรานอย่างนี้นะก็ไปอาบน้ำในในท่าน้ำ พอไปอาบน้ํากับบริวารพออาบน้ําเสร็จแล้วฝนตกเลยฝนกำลังจะตกพอฝนจะตกลูกน้องบริวารวิ่งและเห็นเด็กพวกเด็กทั้งหลายพกคู่รุ่นาราวเขาวเดียวกัน1516ปีกําลังขนองนต่างคนต่างวิ่งเข้ามาหาที่ศาลาที่พักแต่นางวิสาขาเนี่ยเดินแบบสํารวงมาเลยเดินแบบธรรมดาไม่เสถคไม่สะทาน ตอนนี้แมวมองแมวมองคือตระกูลตระกูลเศรษฐีฝ่ายชายนะ เ, เขาจะต้องมองไปหาดูในขณะวันสงกรานตระกูลไหนที่เป็นลูกเศรษฐีสาวสวยทั้งไหนถ้าจะมาเอาเป็นสะพ้ายอของอลูกชายของเศรษฐีนี่แหละเพราะว่าผู้หญิงต้องไปอยู่ฝ่ายกับฝ่ายชายนะนี้ก็ เขาพวกแมวมองเขาก็ไปนั่งไปอยู่ยที่ศาลาใชไหมพวกพรามทั้งหลายน่ยพวกพรามคือแมวมองเนะ่ยคือคือทางฝ่ายชายเนี่ยเขาจะต้องตั้งให้พวกผู้ชายพวกพรามเนี่ยไปตรวจดูไปหาใครไปจะเป็นลูกสะภ้ให้มาอยู่ในตระกูลใะทตนี้เขาก็ไปนั่งอยู่ในศาลาพอเห็นพวกเด็กหญิงกูวิ่งเข้าไปในศาลาแต่นางวิสาขาเดินแบบสบาย เดินฝนตกจักจับจับจับพอไปถึงที่ศาลาพราม์ก็เลยถามว่าพวกพรามแมวมองนะถามเอาท่านนางทำไมนางเสียองคะไม่สบายตรงไหนทำไมจึงไม่ไม่หนีฝนจึงไม่วิ่งคนอื่นเขาจึงวิ่งหลบหนีฝนแต่นางทำไมจึงเดิน เ, เดินแบบไม่ไม่แยแสยอะไรเลย นางวิสาก็บอกว่าข้าก็รู้วันนี้ฝนแต่นี้ไปทำไมล่ะถ้ามันเปียกมันก็ยังแห้งได้มันเปียกแล้วก็อีกไม่นานมันก็แห้งแล้วแต่ดิฉันที่เดินมานี้เนะาะพอเดินพอวิ่งไปเนี่ยบางทีอาจจะหกล้มอาจจะรื่นหกล้มพอหกล้มไปแขนของเราหรือขาของเราส่วนใดก็ตามไปกระแทกกับพื้นอะ ทำให้เสียองคชะพิกงพิการในร่างกายในเมื่อคนพิกงพิการในร่างกายอิจฉาเนี่ยเป็นลูกตระกูลอย่างนี้รู้จย่รู้แล้วเป็นเป็นใครถ้าว่าเป็นคงพิการถ้าหาว่าผู้ใดจะมาเอาไปเป็นสะพ้ายเขาก็ต้องคิดว่าอสะพ้ายคนนี้แขนหักขาหักหัวน็อกพื้น อ, อ, อะไรลักษณะนะี้เป็นคงพิกคงพิการ เขาจะรับไปเป็นสะพายอย่างภาคภูมิใจคงไม่ได้เพราะนั้นฉันจ้องลักลักนวลสงวนตัวใครจะวิ่งก็วิ่งไปเถอะแต่ฉันจะไม่วิ่งเพราะเปียกมันแห้งได้จะไปกลัวทําไมฝนแต่บอกกลัวอันตรายที่ว่าขาหักแขนหักหรือว่าพิ ก, พการดิฉันกลัวกว่านี่แหละพรามทั้งหลายโอโ้โห นางคนนี่เป็นคนมีสติปัญญาทีเดียวนยะเออจากนั้นเขาก็เลยไปพูดให้ใหตระ ก, กูลเศรษฐีฝ่ายชายฟังฝ่ายชายก็เลยมาสู่ข อ, อไปเป็นสะใภเนี่ยแหละสรุปแล้วก็คือการที่ละเมียละเวียงร ะ, ว, งะวังมันเป็นผลดีสำหรับตนเองในอนาคตถ้าว่าตนเองพิกงพิการช่อจุ๊บชมว่า เป็นหนุ่มเป็นสาวใครอยากจะได้แต่เป็นลูกเขยก็ไม่อยากจะได้ลูกเขยแขนหักแขนงอหัวเข่าหักขากระเพกกระเพกหัวนอกพื้นไม่มีตระกูลไหนที่เขาต้องการลูกสะภ้ยก็เช่นเดียวกันใครๆก็ไม่อยากจะได้อยากจะได้คนประเภทเสียองค์ฆ่าวัยวะพิการเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะ่ะมันเป็นอนาคตของลูกของหลานของทุกคนเพราะฉะนั้นการที่จะทําอะไรลงไปให้ สำรวมให้ระวังจะไปเห็นแก่ความสนุกสนานอย่างปีหนึ่งปีหนึ่ ง, ง, งที่พวกเราก็เคยได้ยินตามสื่อของประเทศไทยปีใหม่สงกรานคนในชาติประสบวัติเหตุตายเพราะรถตายเพราะอะไรต่อไม่อะไรมากมายคิดดูสิติแต่ละปีพวกหน้าตกใจเหมือนกันนะเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่าน ลูกหลานของเราทุกคนให้สํารวมให้ระวังพ่อแม่ก็ควรจะว่ากล่าวสั่งสอนลูกหลานของตนเองอย่าไม่ควรจะปล่อยปละละเลยถ้าไม่บอกไม่สอนกลัวเขาจะเสียใจแน่นละเมื่อเมื่อเขากลัวเขาจะเสียใจต่อไปพวกเราจะเสียใจด้วยกันนานเท่า น, าน้นคนที่ประสบอุบัติเหตุก็เสียใจพ่อแม่ก็เสียใจไปนานเทน่าไหรเห็นลูกของตัวเองโตโตเ ต, ต๋อเต๋เนี่งงงกงนงน เสียใจไหมตั้งแต่ตะก่อนเน่ขาเป็นคนมีสติปัญญาเป็นคนว่าง่ายซ้อนง่ายเป็นอยู่ในโอวัตแต่ทีนี้เป็นยังไงเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงถ้าหากว่าลูกหลานคนใดมันดันทุลังไม่เชื่อฟังพ่อแม่กระสุดวิสัยพูดให้ฟังแล้วแต่หากว่าบางคนก็ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังจากพ่อแม่เลย เขาพอได้ยินได้ฟังแล้วเขาอาจจะสำรวมระวังเออใช่พ่อแม่ของเรานี่พูดถูกว่าอาต่อไปนั้นเราควรจะระวังตัวาการที่จะทําอะไรลงไปไม่ควรจะเสี่ยงจนเกินไปถ้าเราเสี่ยงจนเกินไปเนี่ยทำให้เราเสียองคชาเสียบุ ค, คลิกอแล้วใครจะต้องการที่จะเอาไปเป็นสะพ้ายเอาไปเป็นเขื่อนล่ะเพราะเราอยู่ในโลกเนี่ย แ จ, จะต้องมีหมู่มีเพื่อนมีคณะมีพักมีพวกมีวงสาคนาญาติเพราะนั้นให้พวกเราทุกคนเนอะอันนี้ก็คือการเป็นอยู่หลวงพ่อเตือนวันสงกรานนะและก็พร้อมกันให้พวกคนณะพวกเราศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนหลวงพ่อเองก็เคยเตือนย้ำว่าถึงยังไงก็ตามที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวว่าหลวงพ่อผ่าน สงการมาเจ็ดสบอ็ดปีฮะทุกปีสงการต้องมีทุกปีจนวันนี้นะเป็นปีที่เจ็ดสิบเอ็ดนะเพราะนั้นหลวงพ่อเองจึงยากกล่าวย้ำว่าต่อไปภายภาคหน้านจะอยู่เป็นจะดูจะผ่านไปอีกกี่ปีน้อยิด็ดแล้วไงมันลิบปลีแล้วเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านลูกหลานทุกคน ประกอบคุณงามความดีให้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจจุดนีนะ้คือจุดที่สําคัญเพราะเหตุไรเพราะว่าในหลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนาถนัดตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเนะี่ยถ้าคิดว่าตายแล้วสูญพวกเราไม่ต้องคิดอะไรมากนะการตายญาติโยมถ้าเชื่อว่าตายแล้วสูญไม่ต้องทําอะไรกินเป็นวันวันเดือนๆปีปแล้วก็จบไปแต่คิดว่ายังไม่มั่นใจว่าตายแล้วสูญตายแล้วเกิดอีกแน่นะ ตามว่าเราเชื่อตามหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะพวกเราควรจะประกอบคุณงามความดีควรจะเตรียมจิตเตรียมใจเตรียมสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเอาไว้สิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทำอย่าพูดในสิ่งที่มันไม่ดีเออดีรีดีรู้ไหมดีชั่วรู้จักไหมชั่วนะเอาว่าพวกเราไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไง ถ้าดีแล้วกันน่ยให้เราศึกษาเรื่องศีลห้าของพระพุทธเจ้านั่นแหะคือมาตรฐานความมาตรฐานคือศีลห้าแหละเป็นที่ว่าดีใครอยู่มีศีลห้าแหละคนนั้นเป็นคนดีถ้าว่าหย่อนจากศีลห้าลงมาแล้วถ้าหย่อนหน่อยก็แปะว่าไม่ดีหน่อยนึงถ้าหย่อนมากก็ไม่ดีถ้าไม่มีศีลห้าจะได้ทําความชั่วตรงกันข้ามเลย มีแต่ข่ามีแต่ขโมยมีแต่ละลาบละลวงในสามีภรรยาคนอื่นมีต่โกโหกมีแต่กินเหล้าหัวลาน้ําอันนั้นแปลว่าทำตรงตรงข้ามกับศีลห้าของพระพุทธเจ้าอันนั้นแปลว่าเป็นผู้เลวสุดๆนะเป็นผู้เลวสุดๆพ่อยเลยเพราะทำตรงตรงตรงข้ามถ้าหากว่าเราไม่มีศีลห้าก็เจริงอยู่แต่บางครั้งมันก็มีบ้างถาล่มไปบ้างเอออันนี้ก็นับว่าเป็นคนดีในระดับหนึ่ง ถ้าว่ารักษาสินห้าได้เลยไม่เคยค่าเลยอันนี้ก็แปลว่าดีตลอดนี่แหละศินห้าเป็นศินเส้นเส้นบรรทัดฐานเราจะเราจะทำเกินไปแล้วก็แปลว่าเราเกินไปท่านเราทำอยู่ในเขตของศินเรื่องว่าห์กว่าอางนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเรา ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของท่านเองเราเองทุกท่านเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะถ้าคนมีศีลมีธรรมในจิตในใจแล้วศีลและธรรมนั่นแหละจะเป็นเครื่องเกรือกุณหนุนพวกเราเกิดในภพใรชาติใดต่อไปภายภาคหน้าจะมีแต่ความสุขความเจริญพราะในหลักธรรมคําคสอนที่พระพุทธเจ้าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนแนะนําบอกกล่าวลูกหลานท่านว่าตายแล้วไม่สูญเนะตายแล้วเกิดอีก นรกสวรรค์มีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่บางคนเอ๊ะเขาคนอื่นเขาทำชั่วทำไมจึงไม่ได้รับจึงยังเป็นคนดีกรรมชั่วยังไม่ให้ผลเขายังหัวเราะ ย, ยิ้มได้แต่เมื่อความชั่วให้ผลเมื่อไรเมื่อนั้นเขาจะน้ําตาหนองหน้าร้องไห้เพราะอะไรเพราะกรรมชั่วให้ผลเพราะนั้นกรรมชั่วไม่ตรง ต้องไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งนะจะต้องให้ผลกับผู้กระทาเพราะนั้นขอให้พวกเราลูกหลานทุกคนนะประกอบคุณงามความดีในสงกรานต์ปีนี้อายุของเราเท่าไรแล้วนี่ให้พวกเราย้อนหลังดู อ, อ, อายุดูของข้าพเจ้ามีเท่าไหร่นะปีนี้นะปีหน้าก็อีกปีต่อไปอีกแก่ไปเรื่อยเรื่อยเรืแก่ไปไหนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายอย่างหลวงพ่อไปยืนจุดๆุดนี้ลนะ่ะ ชีวิตจุดนี้น่ะอหลวงพ่อเห็นแต่คนนั้นลงโลงรอยไปตามอายุสังขาราครูบาอาจารย์องค์นั้นไปองค์นี่ไปศรัทธาญาติโยมคนนั้นคนนี้ไปอายุเท่าไร่ม่จะใกล้เคียงกับหลวงพ่อเกือบทั้งนั้นเออเพราะนั้นหลวงพ่อมาเยือนจุดจุดเกือบจะว่าจุ ด, จ, ดจุดท้ายแล้วเอเพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้บอกกล่าวให้คณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานว่า ลูกหลานทั้งหลายเ อ, อ้ยอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเนะ้อให้ประกอบคุณงามความดีเนะ้อให้สั่งสมบุญกุศลไว้เข้าสู่จิตใจนะเน้พอพะชีวิตของเราเนี่ยมันถึงจุดจบนะออไม่เอกไม่วันนึงละแต่เมื่อถึงจุดนั้นแล้วเราเป็นที่าภาคภูมิใจหรือยังในบุญในกุศลในคุณงามความดีของเราถ้าเรายังไม่ภาคภูมิใจในบุญในกุศลของพวกเรานะอย่าไปชลาใจเนะ้อให้เตรียมพร้อมเนะ้อ ให้ประกอบคุณงามความดีให้มากๆเนออ่านั่นแหะนับว่าพวกนี้พบนิชาตินี้พวกเราได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะเกิดพบหน้าชัดหน้าเอาจะเกิดไปที่ไหนก็ไม่รู้อ่ากระเหลี่ยงดอยไหนก็ไม่รู้ปูเสือแถวไหนก็ไม่รู้อ่แต่พบนิชาตินี้พวกเราได้เกิดมาได้พบพุทธศาสนาควรจะประกอบคุณงามความดีให้มากๆ ถ้าว่าเราประกอบคุณงามความดีแล้วบุญกุศลนั่นแหะจะเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนพวกเราพวกเราก็สั่งสมบา ร, รมีไปเรื่อยๆจนในสุดรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลอย่างที่พระพุทธเจ้าพระหรัตถสาวกทั้งหลา ย, ยาท่านก็บําเพ็ญอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละล้มคุกคกล้มลกุกคุกคลานไปเรื่อยผลในสุดก็น่ะต่อไปภายทางภาคหน้าบา ร, รมีของเราก็แก่กล้าขึ้นเรื่อยๆ ได้พบร พ, พระพุทธเจา้าได้พบพระอรหันตสาบได้พบท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ได้ปฏิบัติตามพวกเราก็จะพ้นทุกในวัฏสงสารถึงแดนพระนิพพานแล้วก็จบ เ, เดี๋ยวนี้พวกเรายังยังสั่งสมบัลมีไปก่อนนะาบางทีอาจจะบรัรมีของเราแก่ก้าแล้วก็ได้อแต่เอาเถอะนะอถ้าเราไม่ทําใครจะทําให้กับเราเราเป็นผู้สร้างเองทําเองนั่นแหละ บุญกุศลคนอื่นทําก็เป็นของของเขาของเขาแต่ละคนเหมือนกับเราเขาทานอาหารเขาทานอาหารเขาก็อิ่มท้องเขาเราทานอาหารเราก็อิ่มท้องเรานะบ่วงบุญกุศลมันลักษณะอย่างนั้นนะคณะสถ า, า ญ, ญาโฉมลูกหลานนะรับพรในทนิดนะรับพรปีใหม่นะคณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรและกับอุทิศสวนกุศลต่อผู้มีอุปกรณคุณสําหรับพวกเราคือพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายาย วงสากนา ญ, ญาติญาติมิตรสหายที่พวกเราได้มาทําบุญในวันนี้ทําบุญสงการานคนโบราณพ่อแม่ของเราถึงวันสงกรานอย่างท่านก็คงจะไปทําบุญอย่างพวกเราเนี่แหละอทางว่าท่านยังร่องรอยอยู่ท่านอโอ้ลูกหลานไปทําบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้ข้าเลยเปล่านะ้าไงท่านจะมารับส่ว น, วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราเวลาจะทําบุญในวันนี้ พวกเรากระหิงน้าวน้อมลำเลิศถึงเออบุญกุศลที่ข้าไปเจ้าประกอบคุณงามความดีในวันนี้ขอให้เป็นเครื่องเกื้อ ก, กูลหนุนดวงวิญญาณของพ่อแม่ปู่ย่าตายายท่านตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขจริงๆกันไปทุกๆท่านทุกๆท่านโดยเทิดนะ อ, อันนี้พวกเราจะคิดอย่างนั้นนะตอนที่พระสงฆ์อนุโมทนาให้พร